ปัญหาข้อที่23อธิบายและตอบปัญหาเรื่องวัตถุจากโลกทิพอิโอปปาติกะมอบให้มนุษย์มีจริงได้แค่ไหนอย่างไรซึ่งในเรื่องของต่างชาติที่เป็นคนศาสนาอื่นนั้นส่วนหนึ่งที่ท่านได้รับมีลักษณะเป็นอั ญ, ญมณีดูแล้วคล้ายกับพระทาเสเด็จแบบที่คนไทยได้เจอซึ่งพระธาส่วนมากก็ดูคล้ายอั ญ, ญมณีเช่นกันการชี้ให้เห็นการปรากฏของวัตถุจากความว่างที่เกิดจากอำนาจจิตเกิดจากคุณธรรมความดี ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรการปรากฏของนกที่มีชีวิตจากท้ายสวนมาอยู่ในห้องที่ทำการทดลองติดต่อวิญญาณโดยมีผู้เข้าร่วมผู้สมงคุณวุฒิจำนวนมากและนกนั้นก็อยู่ในลักษณะตกผวังหลับสนิทจับต้องได้เข้ามาปรากฏในห้องที่ปิดสนิทการปรากฏร่างหยาบของโอปาปาติกะทำได้แค่ไหนทำไมจึงทำได้ไม่นานและปรากฏได้บางสถานที่บางเวลาเท่านั้น ปัญหาข้อที่23ของขวัญจากโลกทิพย์ปรากฏการทางวิญญาณที่นับว่าแปลกมากอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเมฆแดงสามารถที่จะให้ของขวัญซึ่งมาจากโลกทิพย์แก่คนซึ่งอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้เรื่องนี้ที่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากก็เพราะผู้ที่ให้เป็นผู้ที่มองไม่เห็นตัวมือที่หยิบยื่นให้ก็มองไม่เห็นและของที่นามาให้มาได้อย่างไร ก็มองไม่เห็นแต่แล้วในท่ามกลางความว่างเปล่านั่นเองก็ปรากฏว่าของขวัญได้มาถึงมือมนุษย์ซึ่งของที่ว่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์มองเห็นได้จับต้องได้ไม่ใช่เป็นของทิพที่มองไม่เห็นของเหล่านี้มาได้อย่างไรรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากเหลือเกินและจากเรื่องนี้อาจจะทำให้เรื่องอื่นๆที่พอจะเชื่อถือได้ปล่อยหมดความเชื่อถือไปด้วย เพราะแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามท่านลองพิจารณาข้อความสักตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของขวัญที่มาจากโลกทิศซึ่งเรื่องนี้เอสเทลบอกว่ามิสเตอร์มอรลิสบาบานลซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์อันนี้เป็นผู้บันทึกเอาไว้ดังต่อไปนี้ข้าพเจ้า หมายถึงมอลลิสบาบานิลได้ของขวัญจากโลกทิพย์อย่างหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนอื่นๆอีกประมาณยี่สิบคนก็ได้รับของขวัญอย่างนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่ไม่คุ้นเคยในเรื่องการทรงวิญญาณคงจะอ่านข้อความนี้พร้อมกับยิ้มบางเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ของขวัญครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อสองถึงสามปีมาแล้ว ได้มีการสร่งวิญญาณโดยได้ยินเสียงพูดโดยตรงจากโอปปาติกะท่านเมฆแดงได้ให้สัญญากับข้าพเจ้าว่าจะนำเอาของขวัญมาให้ชิ้นหนึ่งและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านก็ได้ทำตามสัญญาของท่านที่วิมเบ์ดันเซ็นเตอร์ครั้งนั้นออกจะเป็นครั้งพิเศษอยู่ทีเดียวคือท่านเมฆแดงได้จัดให้มีการเข้าทรงวิญญาณขึ้นเองปีละครั้งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับท่านยางใกล้ชิด เป็นทํานองเชิญสมาชิกภายในมาประชุมกันหรือจะเรียกว่าเป็นปาร์ตี้น้อยๆก็ได้ก่อนหน้านี้ท่านเมฆแดงได้ขอให้นําเอาแผ่นเรื่องแสงสองแผ่นและไฟฉายที่มีผ้าหุ้มสีแดงเข้ามาไว้ในห้องทรงวิญญาณด้วยดังนั้นก็เป็นที่รู้กันในระหว่างพวกเราว่าท่านกําลังจะมาปรากฏกายให้พวกเราเห็นการทรงวิญญาณในเย็นวันนั้นมีการหยอกล้อและการหัวเราอ ก, กันอย่างสนุกสนาน ไม่ได้มีบรรยากาศที่เศร้าสลดและแปลกประหลาดดังที่ผู้ไม่คุ้นเคยมักจะคิดอยู่เลยทีเดียวท่านเมคแดงได้แนะนำพวกเราให้สนทนากันอย่างสนุกสนานร่าเริงเสมอท่านบอกว่าการที่มีสภาวะทางอารมณ์ตึงเครียดจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดผลทีเดียวข้อความนี้ท่านพูดโดยผ่านผู้ทรงวิญญาณซึ่งอยู่ในภาวะเข้าสมาธิซึ่งในตอนนั้น ผู้ทรงวิญญาณได้นั่งอยู่ในตู้ที่เราได้ร่วมมือกันจัดให้มีขึ้นอย่างรีบด่วนตู้นี้ประกอบขึ้นด้วยไม้สี่ชิ้นมีผ้าคาดไว้ข้างหน้าสูงประมาณห้าฟุตเป็นตู้ที่ลูกสาวของคุณเอสเทลเรียกอย่างล้อๆว่าบ้านตุกตาผู้ที่อยู่ในที่นั้นขอร้องให้ข้าพเจ้าตรวจตู้มาอย่างถีดถ้วนและตลอดจนถึงห้องนั้นโดยรอบด้วย เพื่อว่าจะได้ไม่มีความค้องใจหรือความสงสัยใดๆอันจะเกิดขึ้นในภายหลังไม่นานนะักการปรากฏตัวของวิญญาณก็เริ่มต้นขึ้นแผ่นเรื่องแสงสองแผ่นได้ถูกยกให้ลอยขึ้นไปจากพื้นโดยมือซึ่งเรามองไม่เห็นตัวแล้วในไม่ช้าเราก็เห็นดวงหน้าของบุคคลลอยอยู่ท่ามกลางแผ่นเรื่องแสงนั้นเป็นดวงหน้าของท่านเมคแดงนั่นเอง นินจณ์เสียงท่านเมฆแดงกล่าวขึ้นโดยหมายถึงชื่อของข้าพเจ้าเองซึ่งท่านชอบเรียกข้าพเจ้าว่าจรลุกมาข้างหน้าสิข้าพเจ้าจึงลุกมาจากที่นั่งและยืนอยู่ห่างจากประตูตู้ดังกล่าวนั้นประมาณสามหรือสี่นิ้วยื่นมือออกมาสิเสียงท่านเมฆแดงกล่าวขึ้นเมื่อข้าพเจ้ายื่นมือออกไปก็มีมือของผู้ชายมือหนึ่งรับรองได้ว่า ไม่ใช่มือผู้หญิงอย่างคุณเอสเทลแน่นอนมาจับมือข้าพเจ้าไว้ลองจับผมของเราสิมีเสียงท่านเมกแดงบอกออกมาอีกข้าพเจ้าลองจับดูรู้สึกว่าเป็นผมที่มีเส้นยาวและนุ่มคล้ายไหมและยาวลงมาดูเหมือนว่าจะคลุมไหล่ได้เลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าผมของคุณเอสเทลนั้นรอบเหมือนเส้นลวดและหยิกไม่ตรงเช่นนี้เลย ในขณะนั้นข้าพเจ้ายืนอยู่ใกล้กับบิญยาณที่ปรากฏตัวของท่านเมฆแดงมากและสามารถเห็นคราวที่ปรากฏอยู่บนดวงหน้ารูปไข่ของท่านเนือเมื่อข้าพเจ้าบอกท่านถึงความจริงข้อนี้ท่านเมฆแดงจึงให้ข้าพเจ้าคลำดวงหน้านั้นด้วยเมื่อข้าพเจ้าคลำดูก็รู้สึกว่าเป็นคราวสั้นๆอ่อนและมีลักษณะเหมือนดังเส้นไหมข้าพเจ้าจึงกล่าวว่ารู้สึกว่าเส้นนี้อ่อนนุ่มมาก ต่อจากนั้นอีกคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่มาเข้าทรงอยู่ด้วยก็ได้มีโอกาสคลำคราวและผมของท่านเมฆแดงด้วยเหมือนกันผู้นี้คือมิสซิสคอนสแตนเทลเลอร์ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่านี่ไม่ใช่เล่นทีเดียวนะเรามาถึงขนาดคลาหนวดและคราวของท่านผู้มีเกียรติขนาดนี้ท่านเมฆแดงก็หัวเราะ อ, อย่างน้อยเป็นเวลาหกครั้งที่ข้าพเจ้าลุกขึ้น และเยืนอยู่ใกล้ๆกับร่างที่มาปรากฏจากโลกทิพย์ของท่านเมฆแดงเป็นเวลาประมาณสองครั้งที่ท่านเมฆแดงได้พยายามจะให้ข้าพเจ้าเห็นท่านได้อย่างถนัดชัดเจนจึงให้ดวงไฟฉายสีแดงจับอยู่บนดวงหน้าของท่านอย่างชัดเจนซึ่งเราเห็นชัดว่าเป็นดวงหน้าที่มีลักษณะ ส, สวยงามมีดวงตาแวววาวซึ่งมีอำนาจโน้มน้าวจิตใจของผู้เห็นได้อย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าสามารถจะมองเห็นปุ๋ยเมฆคือเอกโทพลาซัมลอยอยู่ตรงหน้าล้อมร่างกายของท่านโดยตลอดข้าพเจ้ารู้สึกว่าความสูงของท่านนั้นจะมากกว่าความสูงของคุณเอสเทลผู้เป็นคนทรงหลายนิ้วทีเดียวเรื่องนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์จริงคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏตัวให้เห็นและจับต้องได้สามารถเคลื่อนไหวได้และสามารถพูดติดต่อกันได้ มีชีวิตและความคิดอ่านเหมือนกับผู้ที่ยังไม่ตายทุกประการเป็นตว่าเสียงที่ออกมาจากริมฝีปากที่เคลื่อนไหวไปมาของท่านนั้นรู้สึกว่าจะค่อยไปสักหน่อยแต่ก็ไม่มีข้อสงสัยเป็นเสียงของท่านเมฆแดงอย่างแน่นอนเพราะว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินเสียงนี้อยู่บ่อยๆโดยผ่านทางคนทรงคือคุณเอสเทลโลเบิร์ตซึ่งเข้าสมาธิอย่างลึกและบางครั้งก็ผ่านทางตรา ซึ่งมีไว้สำหรับการเข้าทรงวิญญาณชนิดที่จะต้องการจะให้ได้ยินเสียงโดยตรงจากผู้ที่อยู่ในโลกโอปปาติกะจากนั้นท่านเมฆแดงก็ได้เชื้อเชิญให้ผู้ร่วมเข้าทรงวิญญาณอยู่ด้วยนั้นเดินแถวผ่านไปยังตู้เพื่อว่าทุกคนจะได้เห็นดวงหน้าของท่านโดยถนัดท่านได้บังคับให้แผ่นเรืองแสงสองแผ่นนั้นอยู่นิ่งๆเป็นเวลาเกือบสองนาที ในขณะที่ผู้ร่วมเข้าพิธีการทรงวิญญาณ น, นั้นเดินแถวผ่านไปเพื่อจะดูหน้าท่านให้เห็นชัดเจนต่อมาไม่ช้าเราก็ได้เห็นปรากฏการณ์อันประหลาดอย่างหนึ่งคือม่านที่คลุมตู้อยู่นั้นค่อยๆแหวกออกจากกันอย่างช้าๆและที่ปลายม่านด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นร่างของวิ ญ, ญญาณปรากฏตัวให้เห็นอีกร่างหนึ่งโดยร่างนี้ถือไฟฉายสีแดงไว้ด้วยและฉายไปยังอีกร่างหนึ่งซึ่งมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนกัน ร่างนี้เป็นร่างที่ขาวโพลนทีเดียวสำหรับข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าภาพที่มาครั้งหลังนี้ดูเหมือนจะกําลังอยู่ในอิริยาบถนั่งสิ่งที่น่าสังเกตและน่าตื่นใจเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ก็คือว่าที่ตรงกลางหน้าผากของภาพที่มาปรากฏให้เห็นขึ้นใหม่นั้นปรากฏว่ามีอัญญมณีหรือจะเรียกว่าเพชรก็ได้สุกส่องแสงแวววาวเป็นประกายระยิบระยับตลอดเวลา หลังจากนั้นก็มาถึงรายการของขวัญที่ได้มาจากโลกของวิญญาณซึ่งของขวัญนั้นเราสามารถจะเห็นได้โด้วยอาศัยสีเรืองแสงที่เราทาไว้บนแตรและในขณะนั้นแตรก็กําลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาและเคาะพื้นอยู่ด้วยแล้วเรายังได้ยินเสียงกอกแกะกรอบแกรบอยู่ภายในแตรนั้นแล้วก็มีเสียงพูดว่าอันนี้เป็นของขวัญสําหรับจอ ยื่นมือของเจ้าออกมาราเชลเป็นเสียงของท่านเมคแดงพูดขึ้นโดยมาถึงคอนสแตนเทเลอร์คำว่าราเชลนั้นเป็นชื่อที่ท่านเมคแดงเรียกคุณคอนสแตนเทเลอร์อย่างนั้นเมื่อคุณคอนสแตนเทเลอร์ยื่นมือออกไปก็ปรากฏว่าของขวัญ น, นั้นหล่นมาในมือทันทีเธอยื่นมือมาให้ข้าพเจ้าคลำดูก็รู้สึกว่าคงเป็นอัญมณีชนิดใดชนิดหนึ่ง ปรากฏการเช่นนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนจงกระทั่งทุกคนที่อยู่ในห้องทรงวิญญาณ น, นั้นได้รับของขวัญด้วยทั่วกันจากท่านเมฆแดงในท้ำนองเดียวกันคือครั้งแรกจะมีเสียงตรขาเขาะลงบนพื้นดังโปกๆต่อมาก็มีเสียงกรอกแกรบข้าพเจ้าได้ถามท่านเมฆแดงว่าของขวัญเหล่านี้มาจากไหนท่านเมฆแดงได้หัวเราะแล้วก็ตอบว่ามาจากที่ไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ท่านเมฆแดงเด็กเล่าว่าโอปปาติกะผู้รักษาธรรมชาติได้ช่วยกันกันกบท่านทาของขวัญ น, นี้ขึ้นมีข้อที่ลำบากอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อวิญญาณเหล่านั้นช่วยทำของขวัญขึ้นแล้วมักจะไม่ไกลอย่างให้แกผู้อื่นนักต้องใช้คำอ้อนวอนปะล้วลพรมอยู่เหมือนกันจึงจะยอมให้มาตลอดเวลาที่มีการให้ของขวัญกันนี้ท่านเมฆแดงก็พูดจาหยอกล้อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่รื่นเริงแจ่มใสเมื่อจบรายการก็เปิดไฟในห้องนั้นขึ้นปรากฏว่าดอกไม้ซึ่งมีผู้วางไว้บนหลังตู้และอยู่ขา้างหน้าเรานั้นกระจัดกระจายอยู่รอบตัวบางดอกก็มาตกอยู่บนตักของผู้ที่เข้าประชุมสำหรับที่ตักของข้าพเจ้านั้นก็มีช่อดอกไม้เล็กๆคือช่อดอกไบโอเลดวางอยู่ด้วย เราได้ตรวจดูของขวัญที่เราได้รับด้วยความชื่นชมสำหรับข้าพเจ้าได้รับหินเขี้ยวอนุมานคืออมิติสซึ่งจราระัยไว้อย่างสวยงามมากบางคนก็ได้พลอยสีนินบางคนก็ได้เป็นพลอยสีเขียวอ่อนบางคนก็ได้เป็นกางเกงเล็กๆทําด้วยเงินอย่างดีคือเงินเกือบบริสุทธิ์บางคนก็ได้ของขวัญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากประเทศตะวันออกจากปรากฏการณ์ดังกล่าวมาข้าพเจ้าขอให้แย่คิดว่า เราสามารถจะรับของขวัญที่บุคคลตายไปแล้วนำมาให้เราได้เช่นนี้เรื่องปฏิหารต่างๆที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เลื่อนลอยนักคือสามารถจะมีความจริงได้ไม่น้อยทีเดียวจากข้อความที่ได้อ้างมานี้ท่านผู้อ่านก็คงจะประหลาดใจอยู่มากแล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านเมคแดงแล้วท่านตอบว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนั้น แต่นเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปาติกะอีกองหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้จะเป็นไปได้ท่านเข้าใจว่าอาจจะเป็นการเล่นกลเสียมากกว่าแต่ท่านเมฆแดงก็ยืนยันว่าจะเป็นการเล่นกลหรือไม่ท่านไม่รู้ท่านรู้แต่เพียงว่าท่านได้ทําอย่างนั้นจริงๆและของวันเหล่านั้นก็เป็นของท่านเองเมื่อท่านต้องการจะหยิบมาให้เขาของเหล่านั้นก็มาอยู่ในมือของท่าน แล้วก็ส่งให้เขาไปแต่เดี๋ยวนี้ทําไมจึงทําอย่างนั้นไม่ได้ข้อนี้ท่านอธิบายเหตุผลไม่ได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตั้งแต่เขียนเรื่องนี้มาไม่มีตอนไหนที่จะยากเท่ากับตอนนี้เพราะแม้แต่โอปปาติกะองค์ที่ท่านเคยอธิบายปัญหาต่างๆได้ดีแต่พอมาถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่เชื่อและท่านขอให้นึกถึงปาฏิหาริย์เรื่องนกบาเจริก้าเปรียบเทียบซึ่งมีอยู่ในเล่มหนึ่งหน้าสอง ความจริงนกตัวนี้เป็นนกอยู่ในโลกมนุษย์และอยู่ในกรงท้ายสวนแต่แล้วก็ปรากฏว่านกมาอยู่ในห้องทรงวิญญาณได้โดยไม่มีใครไปเอามาในบันทึกที่กล่าวไว้ก็มีแต่แผ่นเรืองแสงที่ลอยวนเวียนอยู่ในอากาศภายในห้องทรงวิญญาณและนกตัวนี้ได้มาปรากฏอยู่บนแผ่นเรืองแสงและเมื่อคนเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดก็ปรากฏว่าเป็นนกจริงๆพร้อมกับเทถอนขนติดมือมาด้วย เรื่องนี้ก็อีกเหมือนกันอธิบายได้ยากมากเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆในทำนองนี้ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะให้คําอธิบายอันใดที่กระจ่างได้เรื่องนี้ขอให้พิจารณาหาเหตุผลเอาเองซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ท่านแล้วเรื่องนกบัเจเริกาที่เอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไว้นั้นมีดังต่อไปนี้ดิฉันยังจาได้ว่า ครั้งหนึ่งเราได้มีการทรงวิญญาณกันเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ชายคนหนึ่งชายคนนี้ได้แนะนำให้ดิชันรู้จักว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางรักษาโรคทางจิตนอกเหนือไปจากนี้ดิชันก็ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเลยและไม่รู้ด้วยซ้าว่าเข้ามาจากไหนครั้งนั้นเรานั่งเข้าทรงวิญญาณกันประมาณสิบคนและหลังจากที่ดิฉันเข้าสมาธิแล้วไม่นาน ท่านเมฆแดงก็ปะถะทักคถาแก่ผู้ที่ร่วมวงอยู่ในที่นั้นข้อความที่ท่านเมฆแดงบรรยายในครั้งนั้นเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งและสลับซับซ้อนมากซึ่งผู้ที่เข้าร่วมวงด้วยในวันนั้นหลายคนยอมรับว่าไม่เข้าใจความหมายแต่ประการใดเลยแน่นอนทีเดียวท่านเมฆแดงคงจะรู้ความจริงข้อนี้ดีเพราะในที่สุดท่านก็กล่าวว่า เราจะแสดงความหมายที่เราได้พูดไปแล้วให้ดูเดี๋ยวนี้เจ้าก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งอยู่ในห้องมีกำแพงล้อมรอบเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนด้วยหน้าต่างทุกบานก็ปิดหมดไม่มีแสงลอดเข้ามาและนอกจากหน้าต่างนี้ออกไปเป็นสวนของคนทรงคือเอสเทลโ l เบิร์ในบรรดาพวกเจ้าทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันในที่นี้มีใครบ้างไหม ที่ต้องการใจะให้เรานำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสวนเข้ามาในห้องนี้ให้เจ้าเห็นประจักษ์ตาด้วยตนเองชาวกล่าวว่าครั้งแรกจิตของเขานึกไปถึงลูกกลิ้งที่อยู่ในสวนแต่แล้วเขาก็ยับยั้งเสียไม่กล้าบอกให้ท่านเมกแดงนำเข้ามาเพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นจริงมันจะต้องมีการหาอหรือรอยเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นการอกระทึกคลกโครมไปสักหน่อยในที่สุด ชอเดสมอนด์ก็เสนอแนะขึ้นมาว่าผมอยากได้นกบาเจริก้าซึ่งอยู่ในกรงท้ายสวนมาให้ดูในที่นี้หน่อยจะได้ไหมครับเอาละ่ะมีผู้ขอร้องอยากจะได้นกปาเจริกา้าตกลงเราจะนำมาให้ดูเป็นเสียงของท่านเมคแดงกล่าวขึ้นพอจบคำพูดของท่านเมฆแดงแผ่นเรืองแสงแผ่นหนึ่งที่อยู่บนพื้นก็ลอยขึ้นอย่างรวดเร็วและพุ่งไปมาโดยรอบๆห้อง รั้นแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงกลางวงที่พวกเรานั่งกันอยู่และก็ลอยอยู่บนอากาศเช่นนั้นสีเรืองแสงที่ทาไว้บนพื้นนั้นทาให้เราเห็นภาพของนกปาเจลิก้าอยู่ตรงกลางได้อย่างชัดเจนตรงด้านข้าง ข, างขวาของชาลเดสมอนท่านเมคแดงได้บอกให้ทุกคนลุกมาข้างหน้าและจับดูให้เห็นชัดโดยท่านได้บอกว่าในขณะนี้นกได้ถูกสะกดจิตให้อยู่ในภาวะตกผวางแล้ว ไม่มีความกลัวแต่อย่างใดพวกเราที่นั่งประชุมอยู่แต่ละคนได้ลุกขึ้นมาและก็พากันมาจับต้องนกดูโดยทั่วกันทุกคนได้รับความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่รู้สึกว่าเป็นนกจริงๆมีเลือดมีเนื้ออบอุ่นเป็นนกที่มีชีวิตชีวาอย่างจริงจังและโดยเฉพาะเราก็ได้รับความอัศจรรย์ใจในข้อที่ว่านกไม่ได้บินหนีเราไปเลย คนที่มาจับครั้งสุดท้ายคือมิสซิสเทเลอร์ในขณะที่จะเอามือไปจับนกนั้นท่านเมกแดงได้กล่าวขึ้นว่าจงถอนขนจากหน้าหกของมันออกมาบ้างตอนนี้มันจะไม่เจ็บเย่างใดหรอกที่เราขอร้องให้เจ้าทำเช่นนี้ก็เพื่อในแพทย์ผู้นั้นจะได้ไม่คิดว่าเราได้สะกดจิตทำให้แนตาของเจ้าหลอกตัวเองเห็นนกไปเองโดยที่ไม่ได้มีนกอยู่จริงๆจงถอนขนออกและจะได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ได้มีนกอยู่ในที่นี้จริงๆในคืนนี้มิสซิสเทเลอร์ได้ทำตามที่ท่านแมกแดงบอกแล้วก็ได้กลับมายัางที่นั่งของเธอโดยมีขนนกเล็กๆสามขนติดมือมาด้วยเมื่อเธอนั่งลงก็ปรากฏว่านกตัวนั้นหายวับไปกับตาแพทย์หญิงผู้ยังไม่เชื่อผู้นั้นได้นำเอาขนนกติดตัวไปด้วยเมื่อตอนที่เขาลาจากไปและพยายามตรวจขนเหล่านั้นอย่างละเอียดลออ ดิฉันยังจำได้ว่าเขากวาดสายตาไป ร, บรอบๆห้องพยายามจะหารายละเอียดหรือจับพิรุธอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้เพื่อจะเป็นเครื่องแสดงว่านกตัวนั้นเข้ามาในห้องนั้นได้อย่างไรแต่ก็รู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถจะหาคำอธิบายอย่างใดได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาได้มาหาเราอีกหลายครั้งและมาฟังปา ฐ, ฐกถาของท่านเมฆแดงด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากเรื่องนกนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากจริงๆแต่อย่างไรก็ดีท่านก็ได้อธิบายไว้อีกแนวหนึ่งว่าถ้าหากสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกของโอปปปาติกะถ้าเป็นเช่นนี้การที่โอปปาติกะผู้มีอำนาจจิตสูงจะทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏแก่สายตามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะและเมื่อสิ่งนั้นหายลับไปแล้วก็จะไม่มีวัตถุสิ่งใดเหลืออยู่ในโลกมนุษย์เช่นเดียวกับโอปปปาติกะบางคนอาจจะปรากฏร่างให้มนุษย์ลายเห็นได้หรือจับต้องได้ลูกคลำได้แต่ในเมื่อโอปปปาติกะนั้นเลือนหายไปจากสายตาของมนุษย์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเลือนหายไปด้วยถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ในกรณีที่กล่าวว่าสามารถที่จะถอนคนนกออกมาได้และในเมื่อนกนั้นหายลับสายตาไปแล้วขนก็ยังปรากฏอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นนกอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆแต่ก็มาปรากฏอยู่ในห้องทรงวิญญาณได้ซึ่งเป็นการมาอย่างปาฏิหาริย์เพราะไม่มีใครไปเอามาและประตูหน้าต่างก็ปิดหมดเวลาจะมาก็ปรากฏขึ้นมาเฉยๆไม่ทราบว่ามาได้อย่างไร และเวลาจะหายไปก็หายไปอย่างลึกลับเช่นเดียวกับตอนที่มาสำหรับในกรณีอย่างนี้โอปปาติกาองค์ที่ท่านอธิบายท่านบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องนกนี้เป็นไปได้เรื่องของควัญที่ว่ามาจากโลกทิพย์ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ของควัญที่ว่านั้นต้องไม่ใช่ของที่มีอยู่ในโลกทิพย์ แต่เป็นของที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองเพราะโอปปาติกาที่มีอำนาจจิตสูงนั้นสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้แต่ก็ควรจะเป็นไปในลักษณะยอย่างที่ท่านเมคแดงเคยทำให้โต๊ะลอยจากพื้นไปกระทบหลังเอสเทโลเบิร์ตซึ่งได้เคยกล่าวถึงมาแล้วกล่าวคือในเรื่องโต๊ะที่ลอยขึ้นไปในอากาศนั้น เราจะเห็นอาการเคลื่อนไหวเหมือนกับมีใครจับยกขึ้นไปแต่ปรากฏการที่นกเข้ามาอยู่ในห้องทรงวิญญาณ น, นั้นมันเป็นแบบหายวับไปกับตาแล้วก็ไปปรากฏอยู่อีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งในกรณีอย่างนี้ก็มีอยู่ทางเดียวที่จะอธิบายได้คือท่านเมฆแดงสามารถทำให้รูปร่างของนกสลายตัวเป็นของทิพย์ได้ทันทีครั้นแล้วก็ให้มาปรากฏตัวเป็นกายเนื้อขึ้นใหม่ แต่วิธีการเช่นนี้คนที่ทำได้จะต้องมีอำนาจจิตสูงมากเหลือเกินและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเมฆแดงก็น่าจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้ได้แต่แล้วท่านก็บอกว่าท่านทำไม่ได้ก็เลยไม่ทราบว่าเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่อันหนึ่งเรื่องปาฏิหาริย์แบบของควันที่มาจากโลกทิพนั้น ในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันเป็นแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นได้ยินแต่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังเท่านั้นเช่นที่กล่าวกันว่าหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตหลวงพ่อปู่ทวดหลวงพ่อปู่เดือนหนนท่านเคยให้พระบ้างให้ตะกรุดบ้างซึ่งวิธีการที่ให้บางทีก็ลวงเอาออกจากในปากของคนทรงบางทีก็เสกเอาออกมาจากในมือบางทีก็คว้าเอามาจากในอากาศคนที่มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเขายืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นการเล่นกลคือท่านเอามาให้จริงๆโดยที่คนทรงไม่ได้ซ่อนพระหรือตะกรุดไว้ในที่ใดที่หนึ่งและแล้ ว, ลวด้วยศิละปะของการเล่นกลจึงสามารถทำให้คนดูเห็นไปว่าได้คว้าเอาออกมาจากในอากาศหรือว่าเศกเอาออกมาจากในมืออย่างนี้เป็นต้นข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ไว้ให้ฟังไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าเชื่อตามนี้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ เพราะเรื่องอย่างนี้อาจจะเป็นจริงตามนี้ก็ได้แล้วเรื่องแบบนี้ข้าพเจ้าก็เคยถามหลวงพ่อสมเด็จมาแล้วท่านบอกว่าที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณนี้ท่านทาไม่ได้การที่ท่านตอบเช่นนี้รู้สึกว่าหลวงพ่อไม่อยากจะให้สำนักค้นคว้าทางวิญญาณมีเรื่องชนิดที่อธิบายเหตุผลกันไม่ได้และก็ไม่อยากจะให้ที่นี่ไปตำหนิที่อื่นด้วยรู้สึกว่าหลวงพ่อสมเด็จ ท่านมีความรอบครอบมากและเต็มไปด้วยความเมตตาคารุณาต่อคนทุกชั้นทุกประเภทจริงๆอันหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีข่าวลงในหนัหนงสือพิมพ์คลึกโครมเกี่ยวกับหลวงพ่อยีซึ่งได้อ้างว่าท่านสามารถที่จะไปบินทบาตในที่กลางแจ้งโดยไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้เอาข้าวมาใส่บาตรแต่แล้วก็ปรากฏว่า ในบาทของท่านมีข้าวสุกอยู่เต็มบาทและเป็นข้าวที่มนุษย์มองเห็นได้และกินได้ด้วยทางนี้ก็โดยให้เหตุผลว่าเทวดาเป็นผู้ใส่บาทให้เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ลูกศิษย์บางคนที่ใกล้ชิดก็ยืนยันว่าหลวงพ่อีทำอย่างนั้นได้จริงๆแต่คนส่วนมากไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้แล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามหลวงพ่อสมเด็จเหมือนกัน ท่านตอบว่าเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากเพราะผู้ที่จะทำได้จริงๆก็ควรจะเป็นผู้ที่ได้สำเร็จวิชาสามและในเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านว่าหลวงพ่ อ, อีท่านสาเร็จวิชาสามหรือไม่ท่านก็ตอบว่าเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังคือเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตน หมายเหตุผู้อ่านสำหรับการเสกของขึ้นมาจากในความว่างนั้นก็ขอให้ดูตัวอย่างจากการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ในจักรวาลจำลองสามารถเกิดอนุภาคขึ้นมาจากความว่างได้จริงและจากอนุภาคนั้นก็พัฒนาต่อมาเป็นอะตอมซึ่งถ้าหากผู้มีพลังจิตสูงยังแท้จริงก็พอจะเห็นความเป็นไปได้ที่โอปปาติกะจะสร้างวัตถุจากความว่างขึ้นมาได้จริงและการหายตัวของวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั้น ก็อยู่ในหลักการของการแยกย่อยจนกลายเป็นอะตอมเป็นอนุภาคและกลับมารวมกันใหม่อีกครั้งในเรื่องของวัตถุอาจจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนั้นจะน่าสงสัยที่สุดเพราะว่ามีเรื่องของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวัตถุทุกชนิดมีวิญญาณและวิญญาณไม่ว่าประเภทใดก็อยู่ในกฎไตรลักษณ์คือมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วมาก ในเรื่องนี้ก็ทําให้เห็นความเป็นไปได้ที่วิญญาณจะหนับจัดที่เก่าและเกิดในที่ใหม่ปรากฏพร้อมกลุ่มอนุภาคที่รวมตัวเป็นร่างกายอีกครั้งหนึ่งในฉับพลันทั้งนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าการศึกษาเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นขอให้ศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้จริงมีอยู่จริงแต่อย่างงมงายยึดมั่นถือมั่นและยึดสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะเพราะจะทําให้เสียคนพาลงทางและก่อความเสียหายได้มากมาย เรื่องริษปฏิหารนั้นทำให้ผู้คนหลงผิดกันได้ง่ายและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญในเรื่องของอิทธิปฏิหารศิยศาสตร์นั้นแนะนำให้ฟังเพิ่มเติมจากหนังสือของสมเด็จพระพุทธโภษาจารย์ปอประยุตโตซึ่งก็มีอยู่บทหนึ่งที่รวมอยู่ในพุทธธรรมฉบับปรับขยายด้วยนะครับจะทาให้ท่านเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถูกต้องและเดเนินชีวิตถูกทางเป็นสัมมาทิฏฐิ ไม่หลงงมงานจนเสียผู้เสียคนไปอย่างที่คนจำนวนมากกำลังเป็นอยู่ในขณะ น, นี้ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ